ในหลายวันที่รามาพบก็เป็นเรื่องที่เราได้เคยได้ยินได้ฟัง เอ่อ 3 นั่น 3 เนี่ยมันก็มีกิจกรรม 6 ใน 6 ที่ผ่านมาแล้วก็มี 8 หลังจาก อ่าได้แสดงธรรมอีกไปเรื่อยๆนะพวก 2 ก็คือๆแต่ว่าการเอ่อข้อไม่ไม่ได้มีที่เรียกว่าเป็น พระอาหารอยู่แล้วอรหันต์อยู่แล้วในทุกท่านที่ที่นั้นเป็นพระอรหันต์รักษาศีลการ 1 ท่านก็เป็นบริสุทธิ์มีเพราะว่าทุกท่านทุกคนอยู่ใน แล้วก็จริงเอ่อมีการมาพบกันในช่วงวันเพ็ญ ก็จะเป็นวันไหนอะไรยังไงเพราะว่าเพิ่งประกาศศาสนาแต่ท่านแต่ละคนนี่ก็แม้ทําดีอยู่แล้วนะคือเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นจะ นั่นเป็นพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมถึงขั้นเดือนแล้วก็ ในระหว่างทางที่เดินไปสู่ทางไปสู่มรราชครุนี้นั้นก็ 1,250 รูปเมื่อพอได้จํานวนสาวกเท่าว่าเอ่อเรามีครูบาอาจารย์ ในที่นี้ก็ๆกันใน 3 นั่นเองซึ่งเป็นเหตุให้มีสิ่งที่เรียกว่าเอ่อวันมากขบูชาทีนี้มาพบกันแล้วทํายัง นะใช่ทุกคนปราศมัจิจสบายละน่ะเงียบละพร้อมที่จะก็จึงแสดงธรรมในเนื้อหาในธรรมะของวันมรรคบุชาเนี่ย ทีนี้ในกระบวนการที่ดีๆนะที่จะเกิดขึ้นหยุด เอ่อวันนี้ที่เราๆกันอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปอาจจะ 3 เดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าเดือนแล้วก็ น่ะไม่ใช่แค่ว่าเป็นวันที่เอ่อพุทธเจ้าแสดงธรรมน่ะรูปน่ะมีการแสดงโอวาทปฏิโมกข์ อุปาทะปติโมณิคงได้ยินได้ฟังกันมาอยู่ทั้งวัน 3 เดือนก่อน 3 นี้พอดี พระบูชาของเราก็ป่วยป่วยมากด้วยเนี่ยป่วยมากตั้งแต่ช่วงต้นๆปีที่ผ่านมานะ ในระหว่างการเดินทางไปนั้นระหว่างการเดินทางไปนั้นน่ะก็ป่วยเหมือนกันแล้วเราก็ได้เรียกพิษุมาแลแลแลแลแลแลแล 80 แล้ว 80 แล้ว ในในที่นั่งพักในที่นั้นก็มานนะมีมานๆนั่นคือ นามานก็มาขอให้พระเจ้าปรินิพพานอีกเหมือนกัน พี่สุภิษณุวะก็บอกว่าสิกาหน้าที่กล้าแข็งกล้าหาญนะสามารถ 3 เดือนจากนี้จากนี้ เอ่อจะจะพอละเนี่ยฉันจะเลิกทํางานแล้วฉันหยุดละเนี่ยไม่ได้ตั้งอัตถิภาพ 4 เอาไว้นั่นคือการจนอัตถิภาพ 4 เนี่ยทางจะทําให้ชีวิต อันนี้การเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ 3 เดือนแต่จริงๆความเอ่อความตายเนี่ยมันก็เนี่ยหมายความว่า ไม่ใช่ผมว่าความตายนี้เป็นกล่องไม่แน่นอนไม่แน่หมายความว่าไงหมายความว่าทุก เป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่ตายก็ได้เนื่องเพราะว่าละแล้วนะคือไม่มีเหตุของการเกิดถ้าไม่เกิดเนี่ยก็ไม่ตายแน่เพราะ ความตายความความตายเนี่ยก็เป็นของเกิดเป็นไม่ใช่ว่าท่านคืออะไรคือการเกิดนั่นเองและจึงเราควรที่จะมาระลึกถึงตรง 3 เดือนจะตาย เป็นเวลาที่เรามาพิจารณาแล้วก็ให้พิจารณาเห็นธรรมะที่แทรกอยู่นะแล้ว พระเจ้าเน้นย้ําการบูชาที่ไม่เป็นอมิตตังฟัง คุณจะไปวัดก็ได้ไม่ไปวัดก็ได้คุณจะอยู่แล้วคุณจะ นึกขอบเจ้าพระไป